ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสันเลขสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลาเป็นการแสดงธรรมะระดับสูงเพราะในตอนต้นเนี่ยพระเจ้าทรงปฏิเสธ พวกรูปประจานสี่ว่าไม่ใช่เป็นสันเลกธรรมคือไม่ใช่เป็นธรรมะเครื่องขัดเกลาแต่เป็นทิฏฐ ะ, ะ, ะวิหารธรรมทิฏฐธรรมวิหารธรรมสุขคือมันช่วยให้เกิดความสุขในปัจจุบันที่ที่อยู่ในชาติน่ะนะฮะแล้วก็ทรงแสดงว่ารูปปันทรั้งสี่เนี่ย เป็นสันติวิหารธรรมคือธรรมที่อยู่อย่างสงบกิเลสเองก็สงบลึกมันทำให้จิตที่สงบใจลึกแต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องขัดเกลาเพราะว่าประเด็นที่ยกขึ้นไว้ในตอนต้นเนี่ยมันพูดถึงอัตวาทะคือวาทะว่ามีตัวมีตน แล้วก็โลกกวัทะวัฒนวาออมมีโลกซึ่งก็มองในแง่ที่เป็นของเชี่ยงแล้วก็เป็นตัวตนจร่งที่จริงพวกนี้ถ้าหากว่าในแง่สมมติสัจจะเขาก็มีนะฮะแต่ว่าเป็นการพูดระดับพรรมัทสัจจะเป็นความจริงที่แท้จริงผลจริงถูกปฏิเสธ อย่าลืมว่าประเด็นของธรรมะเนี่ยธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยขัดเกลาทั้งนั้นแหละแล้วขัดเกลาระดับศีลบ้างระดับธรรมะบ้างระดับสมาธิบ้างแต่พอประเด็นมันเป็นเรื่องใหญ่คือประเด็นเป็นอัตวาทะกับเป็นโลกวาทะพวกนี้จึงไม่ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องขัดเกลา แต่ว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารกับเป็นสันติวิหารธรรมทีนี้ประการต่อไปเนี่ยทรงแสดงถึงสันเหกธรรมรับสั่งว่าดูก่อนจุนทะเธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลอกิเลสในพุทธศาสนานีแลคือเธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลา ว, ว่า จนเรอื่นจะเป็นผู้เบียดเบียนกันในข้อนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันทีนี้อาการเบียดเบียนเนี่ยเราจะลืมว่ามันเป็นวิหิงสาเป็นอาการของสมุทัยสัตว์ทีนี้เมื่อการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยคือกรุณามันเป็นอาการของมรรคสัต์เราจะเห็นชัดเจนนะฮะว่าคนละเรื่องกันเลย ทีนี้ในการปฏิบัติเพื่อไม่เบียดเบียนเนี่ยโดยส่วนเริ่มต้นที่ศีลทั้งห้าข้อนะเพียงแต่ว่าพอมาถึงข้อที่สามเนี่ยไม่ช่เอาการเมร์ละเอาระดับศีลแปดคือศีลบทสถ ร, รับสั่งว่าเธอทั้งหลายพึงทำความกัดกราว่าสนเราอื่นจากเป็นผู้ค่าสัตว์ในข้อนี้ เราทั้งหลายจะงดเว้นจากปานาติบาสทีนี้การงดเว้นเนี่ยเมื่อทรงแส ด, แดงในโครงสร้างนี้มังกรลึกก็หมายความว่างดเว้นทั้งกายทั้งปาจาทั้งใจแล้วก็ทรงแส ด, แดงไปเรื่อยๆนะฮะตามโครงสร้างของไตรสิกขาเพราะฉะนันมันธรรมะจะเชื่อมธรรมะจะเชื่อมกันไป อย่างปาณาธิบาตเนี่ยมันก็ประณีตขึ้นไปเรื่ยอยๆงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการใช้คนอื่นในฆ่างดเว้นจากการยอกย่องสรรเสริญผู้ฆ่างดเว้นจากการมีจิตยินดีในการฆ่าหรือสิ่งที่ถูกฆ่าหรือผู้ฆ่าหมายความว่าจิตไปเดินไปอยู่ที่เมตตา แล้วก็แม้แต่โดยปริยายอื่นเจนทรงแสดงว่าอาริยสาวกในโลกนี้งดเว้นจากปาณิบาตไม่พกพาสตราวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูและที่สำคัญก็คือมีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายเราจะเห็นว่าตรงกันข้ามกับบิญญงสาเลยตอนนี้คือกรุณา คือการมองเนี่ยมันต้องนึกอริยสัจไว้ด้วยว่าอันเนี้ยอะไรในอริยสัจเพราะว่าถ้าเราเข้าใจชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันจะง่ายว่าเมื่ออย่างนี้เกิดอย่างนี้ต้องถูกขัดเข้าไปการไม่เบียดเบียนเกิดเนี่ยหมายความว่าการเบียดเบียนถูกขัดเกลาไป ทางจากที่กายระดับวาจาระดับใจเป็นมนุษย์สุจริตไปเลยกายสุจริตปจีสุจริตมนุสุจริตในข้อที่สองรับสั่งว่าเธอพึงทั้งหลายพึงทําความกัดกราว่าชนเราอื่นจากเป็นผู้รักทรัพย์ในข้อนี้เราทั้งหลายจะกดเว้นจากอธินาทานทีนี้อธินาทานก็อีกแหละ มันงดเว้นจากการถือเอาด้วยตัวเองงดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นในถือเอาซึ่งมันผิดผิดศีลแต่พอระดับหนึ่งเนี่ยงดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญขโมยทั้งหลา ย, ยพวกคอรับชั้นพวกอะไรอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไม่ยกย่องท่า น, นแล้วก็ไม่มีใจยินดีในของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำเป็นพระเขาถวายก็ต้องไม่รับ เป็นชาวบ้านเป็นข้าราชการก็ไม่รับนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นลดความโลภลงไปได้เยอะและอย่าลืมมาตรงนี้เ็าต่อเนื่องนะคือคืออย่างที่บอกว่ารูปประชานเนี่ยมันมันมันอยู่ได้เฉพาะตอนที่เรามีชานิพอชานเสื่อมมันก็ก็เหมือนเดิมจิตมันก็เหมือนเดิม พอมาถึงข้อที่สามนรับสั่งว่าเธอพึงเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจากเป็นผู้เสพเมถุนธรรมอันนี้พูดระดับศีลพรหมจรรย์นะที่จริงศีลห้าก็พรหมจรรย์แต่ว่าเป็นระดับหยาบระดับประณีตจริงจริงเนี่ยไม่มีการเสพเมถุน แล้วจะละเมยดระไม่คือไม่เสพเองไม่ยุโยงส่งเสริมคนอื่นก็เสพไม่มีความพอใจยกย่องสรรเสริญคนที่เสพเมทุนแล้วใจตัวเองไม่ยินดีในเมทูนธรรมเรื่องใหญ่นะมายความว่าแม้จะเกิดภาพที่ยั่วยวนในด้านต่างๆจิตจะไม่ฟูขึ้นด้วยการมราคะ อระนีตไม่เล่นตัวนี้ที่จริงมันเชื่อมไปไปอีข้ออื่นไปแล้วนะฮะแล้วข้อต่อไปก็บอกว่าเธอทั้งหลายพึงทำความกัดกล่าวว่าชนเราอื่นจากกล่าวเท็จในข้อนี้เราทั้งหลายจะกดเว้นจากมุสาวาตคำว่าเท็จกับมุสาวาตเนี่ยเป็นเดียวกันทีนี้การเท็จเนี่ยคือหมายความมาพูดคลาดเคลื่อนจากความจริง ที่เราได้สัมผัสมาโลกเราเป็นโลกสัมผัสแล้วพูดยังไงก็เท่านั้นแหละเห็นสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาพูดเวลารับสั่งแสดงเนี่ยทรงใช้คําว่าพูดเป็นไปตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้พูดสี่นะฮะอย่าลืมว่าประสาทสัมผัสเรามีหกแต่พูดสี่เพราะคําว่าทราบเนี่ย มันทราบกลิ่นโดยจมูกทราบรสไดยลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็ง้วยกายการรู้มันเป็นการรู้ด้วยใจไม่มีการขยายความจาก ส, สิ่งที่เราสัมผัสให้มากขึ้นหรือว่าเก็บงำบางประเด็นเอาไว้ตามปกติแล้วก็จะเปิดคนนี่ยนะฮะให้เราสังเกตว่า เวลาเราพูดถึงความดีของคนที่เรารักเนี่ยเราจะพูดมากเกินไปเวลาพูดถึงความดีของคนที่เราเกลียดเนี่ยจะพูดน้อยเกินจริงแต่พอพูดถึงความชั่วจะตรงกันข้ามพอพูดถึงความชั่วของคนที่เราเกลียดเนี่ยเขาครั้วนิดเดียวพูดเสา ย, ยาวเหยียดเลยแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องชั่วหรือไม่ชั่ว แล้วเป็นเครื่องมือในการหากินของคนเหล่านี้ได้ เ, เขาก็ลงเล่นเราดูข่าวหนังสือพิมพ์บางวันเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่อ่ไรจันทร์ที่ห้านะก็มีคำถามเรื่องหนังสือพิมพ์ที่ชอบลงข่าวเรื่องพร ะ, ะเรื่องไม่ดีของพระเนี่ย คือเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกที่ริษยาแล้วก็วิหิงสาอันนี้เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเพราะเราจะเห็นว่าอาการเหล่านี้ถ้าเขาได้โอกาสเนี่ยเขาจะสะใจที่ได้เล่นข่าวเหล่านี้และบางทีเนี่ยเป็นกระบวนการจัดตั้งถ้าเราลองสังเกต ก็บางทีในกรณีพระที่ดันโดดเด่นมากจนว่าคนมันฤิ์สยแพร่หลายผลแ ว, วรุ ม, มัสกรรมเนี่ยโอ้มันแรงเลยเรายังไม่นึกว่าเออชาวพุทธเนี่ยใจเขี่ยมเกรียวขนาดนี้ล่ะคืออย่าลืมว่าทางอังอบายเนี่ยทุกแข่งญาติโยมที่เคยเห็นพระไตรปิฎกลองเปิดดูนะฮะน่เทศแข่ง ปุเพวนวสาติยานจุูปปัติยานเนี่ยคืจะบอกเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปุเพวนวสาติยานจะพูดถึงพวกด่า ว, ว่าสัมณชีพรามเนี่ยบาปนะฮะสัมณชีพรามณ์ก็ไม่ด่าใครอะเรามาด่าเขาเพราะพระเราเอกลักษณ์เนี่ยคือไม่กล่าวร้ายไม่ทำลาย เป็นเอกลักษณ์อนุปวาโดนุปะ่าโตเลยผู้เจ้าวางไว้ตั้งแต่อตวตารปฏิโบกตอนสัตรุได้แค่เจดเดือนนั่นแหละตอนแสดงปฐมเทศนาได้เจดเดือนเก้าเดือนฮะเกิดสัตรุได้เก้าเดือนก็วางหลักตรง น, นี้ไว้เป็นเอกลักษณ์เป็นสั ญ, ญลักษณ์ปฏิสัมพันธ์กับสังคมต้องสร้างสารรค์คือไม่กล่าวร้ายไม่ทำลาย แต่ว่าการอธิบายสภาวธรรมเน่ยแน่นอนนะฮะคือคนจะรู้สึกว่าใก้ใก้กระดาฉะนั้นสมมติว่าพระอธิบายโทษของโทสะโทษของตนีมันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่โกรธง่ายคนที่ตนีเนี่ยจะรู้สึกถูกด่าดังนั้นมันต้องมองที่ตัวเจตนาเแตะตอนนี้เป็นการพูดถึงสภาวธรรม และการพูดถึงสภาวธรรมก็บางเรื่องเนี่ยเช่นสมมติว่าอบรมกรรมฐานคือกรรมฐานนี่เราจะพูดธรรมะละเอียดแต่เป็นการอธิบายตามพุท ธ, ธาธิบายคือพระเจ้าอธิบายไม่ใช่ว่าเราเราจิตเราเข้าถึงมันที่โยมก็ไปโจงกระใจโยมโยมก็รู้สึกชื่นชมยินดีมายอใหญ่เลยโอ้ท่านพูดเหมือนกันนั่งกันในหัวใจของฉัน ของก็ผมบอกไม่ใช่ใ น, นายโยนะอันนั้นคือธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงอัตบาว่าตามที่พระเจ้าว่าไม่ใช่มารู้วาราจิตของโยมหรอกคือเราต้องกันตัวเราออกมาไม่ให้คนเป็นหลงนับถือเรานึกว่าเราเป็นพระอริยะรู้วาราจิตคนเราต้องให้จิตคนเนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่ามาอยู่กับเราเป็นการแสดงความเคารพต่อพระศธรรม เราคิดว่าเราเป็นเด็กรับใช้พระรันตน์ใจนี่เยอะแล้วนะพอแล้วเกินที่จะพอไปแล้วที่ทำไปเพราะเราเห็นว่ามุสาวาตเนี่ยคําหยาบกับมุสาวาตนะฮะคำสอดเสียกับมุสาวาตคําพ้อเจอ้อกับมุสาวาตแต่ในที่นี้ผู้เจ้าเอามาทั้งหมดหลายเอามาอะไรล่ะที่เคยเผยแพร่พรเทพไปอ่ะ วิถีแห่งความเป็นมนุษย์สรงเริ่มที่สรงนี้ก่อนจริงๆก็คือกุศลกรรมบุนะคคือกุศลกรบดเพ ร, ะราะไรเพราะกุศลกรรมบดเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ลึกถึงเนื้อหาจริงๆเป็นพระอาหารหันได้เลยนะเพ ร, ะราะเลยเพราะตอนมนุษย์สุจริตเนี่ยมันละเมียดละใหม่เหลือเกิน จริงมันก็พูดจะโลดหลงแต่ว่าตัวหลงเนี่ยมันพูดถึงสัมมาทิฏฐิตัวไม่หลงเนี่ยแทนที่จะพูดจะพูดตัวไม่หลงซึ่งก็เป็นปัญญานั่นแหละแต่ว่าทรงเน้นที่ตัสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ปั๊บแต่มันเกิดสมาญาณพอเกิดสัมมาญาณเนี่ยจิตมันก็พ้นเลยก็เป็นพระานไปเลยพระท่านสาธรนจะสังเกตว่าเราเจอบ่อยเหลือเกิน กุศลกรรมบดอกุศลกรรมบดเจอบ่อยเพราะเป็นวิถีของมนุษย์ที่เดินทางถูกหรือเดินทางผิดกุศลกรรมบดแปลว่าทางดาเนินชีวิตของคนฉลา ด, ดา ộ, หรือด้วยความฉลาดอกุศลกรรมบดก็คือทางดําเนินชีวิตของคนโง่หรือด้วยความโง่แล้วก็สองทางอย่างเงี้ยนะฮะ ตางมิจฉาหมักกับสำ ม, มาผักเรียกใหเต็มยศก็เรียกว่ามิฉาหมักกับสำ ม, มามากักคือทางผิดกับทางชอบทางผิดเขาเรียกว่าทุกขโตคือดำเนินไปชั่วตอนปลายก็คือทุกขติคือเกิดในภพภูมิชี้เป็นทุกขเป็นนิรยะนรกติระฉอยู่นีกิกำเนิดติระฉันปิติวิสยาภูมิแห่งเปรตอสุรกายพวกอสุรกาย ทีนี้ปกุศลกัมบทเนี่ยมันเป็นสุกโตคือดำเนินไปดีตอนปลายก็คือเป็นสุกติคือสถานที่ที่เราเกิดเป็นสุขวิตสงบประณีตขึ้นไปก็แล้วแต่พวกนี้เราจะเห็นว่าจะทําหน่าที่ขัดเกลาทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะนะแล้วถ้าเราดำรงอยู่ในสัจจะเนี่ยมันจะถาวรถึงมันผิกชานฌานมันเสื่อม แต่คนนี้เขาไม่เสื่อมอ่ะเป็นธรรมะเขาเรียกว่ามีคุณธรรมอยู่ภายในใจมันอยู่กับเราตลอดพา ร, รักษาได้นะะเพราะว่าเนื้อหารจริงๆคือสัจจะทีนี้ประการต่อไปก็คือเธอทั้งหลายพึงทำความกัดเราว่าชนเราอื่นจะกล่าวส่อเสียดในข้อนี้เราทั้งหลายจะงดเว้นจากปิสุนวาจาปิสุณวาจาก็คือวาจาที่ส่อเสียด โสเสีเป็นอกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นจากลิสยาก็ได้เกิดขึ้นจากเบียดเบียนก็ได้โทสะก็ได้พยาบาทก็ได้แข็งดีก็ได้ยืมดาบฆ่าคนก็ได้ก็แล้ว แ, แต่แต่สรุปว่าการโสเสีย ด, ดยมันเบื้องหลังมันเยอะมากต้องว่ากันเป็นกรณีกรณีไปมันมุ่งความแตกแยกของคนสองคนขึ้นไป หรือสองฝ่ายก็ไปถึงสองประเทศหรือทวีปก็ได้โซเซียลเนี่นสสยดดจะไปแรงมากเลยเป็นอาชญากรรมมาษาว่าก็อาชญากรรมนะฮะแต่ว่าโซเซียตเนี่ยมันมันมุ่งมุ่งความพิบัติมุ่งความแตกแยกมุ่งความร้าวฉานการเกิดขึ้นแก่บุคคลสองฝ่ายต้องมุ่งอย่างนั้นนะจึงเรียกว่าโซเซียตไม่ใช่เพื่อสื่อสารบอกกล่าว ข่าวคราวความคิดถึงความมุ่งดีต่อกันของของบุคคลทั้งหลายนั้นมันมันเป็นจิตคิดอนุเคราะห์แต่ตรงนี้ถ้าพระไปทมในลักษณะไปรับใช้นะฮะรับใช้ชาวบ้านนี่ผิดวินัยนะฮะปราปรบทุกกเป็นอนาจารคือมัน ญ, ญาติที่ไม่ควรประพฤติเนละเมืม่อเมัยไเป็นการรักษา เอกลักษณ์ของความเป็นพระเอาไว้แต่ถ้าเราทำด้วยจิตคิดอนุเคราะห์อีกเรื่องหนึ่งนะเช่นบอกกล่าวอธิบายธรรมะอย่างเงี้ยหรือบางทีก็มีคนเาเออบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเพื่อจะชี้แจงแก่คนนั้นคนนี้เป็นการทำด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ก็เป็นดีเป็นการดีไป โสเสียจึงมุ่งความแตกแยกของคนสองข่ายนำความข้างนี้ไปบอกข้างน้นนำความไปน้นกบอกข้างนี้ด้วยจิตไม่รู้อะไรนะฮะกิเลสหลายกองแต่สรุปว่าเกิดจากโรคโควิ น, นั่นแหละแต่อาจจะฤิสยาก็ได้แข่งดีก็ได้อย่างเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าบางทีเราถูกยืมด่าว่าขาคนมาแรงมากสังคมปัจจุบันเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าทาไมวุฒิภาะวะมันอ่อนดอยถนะึงเนี คราวๆเกิดมาขอเสนอข่าวไม่ได้นึกถึงความมั่นคงของชาติไม่ได้นึกถึงว่าตกเป็นเครื่องมือที่ยืมดาบฆ่าคนแล้วก็มันเกิดจากอะไรเกิดมาจากความริษยาความแข็งดีความเบียดเบียนแล้วก็โลภะคือเห็นว่าคนเขาคือคือว่าพวกนี้เข้าใจสังคม ว่าสังคมนั้นส่วนหนึ่งมันจะริษยาแล้วก็วิงษาอย่างที่ว่าร้อนข่าวอะไรก็ตามที่ได้เหยียบคนอื่นได้ก็ะทืบคนอื่นนี่มันชอบแล้วก็เกือมาเองยังมองว่าซื่อเนี่ยไปหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นฐานันดรที่สี่ไปรับพิสิทธิชนบอกว่าเป็นคนของประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชนถามว่าใครเลือกเธอเธอจริงเป็นอาชีพธุรกิจบนความพิบัติเดือดร้อนของสังคมนะ่ำไปถ้าทำโดยแรงริษยาทำโดยแรงเบียดปลี่ยนทําดโดยการคราวตื่นเต้นนะฮะเราจะเห็นว่าเขาเรียกว่าประจานก็กอนแล้วขออภัยที่หลังตัวเล็กๆตอนประจานเขาเนี่ยเอาตั ว, ต, วตัวไม้เลย เคยถามเคยถามหนังสือพิมพ์ที่คุณคุ้นกันนะฮะถามว่าถามจริงๆเถอะที่คุณบอกว่าข่าวต้องเป็นข่าวความเห็นต้องเป็นความเห็นเนี่ยสมมุติสมมุติเอานะสมมุติว่า ญ, ญาติเราหรือแม่เรามีชู้เนี่ยคุณลงข่าวไหมนิ่งเงียบเลย บอกอย่าลืมว่าคนที่คุณลงข่าวนะเขามีลูกมีแม่มีพ่อมีครอบครัวมีสกุลที่ต้องรับผิดชอบแล้วบางทีลูกเ็าเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนพอลงข่าวอย่างนี้เลยลูกไม่กล้าไปโรงเรียนไอยเวรคุณฆ่าคนโครมเดียวต่เองดยการพิมพ์หนังสือสองสามคำจะทำลายสังคม แล้วก็เป็นธุรกิจที่หวังผลกำไรโดยผู้บริโภคไม่มีสิทธ์ต่อรองอยู่กลุ่มเดียวตัวเองคือกลุ่มสื่อโดยเฉพาะายิ่งคือหนังสือพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์แต่อะไรล่ะวิทยุก็ขยายไปจากหนังสือพิมพ์นะครับเราก็ตื่นเต้นนะและเวเจนว่าเป็นความเห็นของปัจรูปรชนเป็นคนเดียวแล้วก็เป็นผู้ประกอบอาชีพ เซตดิ่หนึ่งท่านนันเองเนะฮะเเราอย่าไปคิดว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุคคลสำคัญเป็นฐานันดรที่สี่เป็นการพูดประชดปรปชันแต่ว่าคนเขากลัวเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันนึกจะสับโภกใครมันก็สับโคกได้เราก็คก้องว่าหมิ่นประมาทแกก็ขอข้ามาเราสู้กันในศาลแต่ว่าคนเขารับรู้ไปแล้ว ก็จําหมายไว้ตอนแก้ต่างนะโอ้ต้องอีกนานนะกว่าจะแก้ต่างคนลืมหมดแล้วแต่ว่าคนเหล่านั้นนถูกมองคือมันอยู่ในความรู้สึกของผู้รับข่าวเนี่ยเป็นคนเลวไปแล้วนี่คือคือเรื่องที่น่าห่วงมากนะฮะบ น, นสังคมเนี่ยสื่อสารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมืองได้เลย ทำลายสังคมได้เลยเวลา น, นี้น่ากลัวที่สุดคือยุคสื่อสารโทรค ม, มนาคมเนี่ยยุคข้อมูลข่าวสารสื่อเนี่ยมันมันกำชีวิตมนุษย์ด้วยก็อย่างที่เคยบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราพูดถึงว่าใครมือหนึ่งถือถุงเงินมือหนึ่งถือปืนแล้วก็ครองโลกได้เวลา น, นี้ไม่ใช่ ใครมือหนึ่งถือไมโครโฟนเนี่มือหนึ่งถือกระเป๋าเงินเนี่ยครองโลกได้เลยความชี้นาความคิดได้เพราะมันจะกลายเป็นธุรกิจที่ชี้นาสังคมให้หกกระเมนตีลังกาไปไหนก็ได้แล้วก็สร้างสรรพัฒนาก็ได้เพราะนราทำยังไงว่าไอ้คำว่าจัญญาบันเนี่ย มันต้องอย่างรากลึกเป็นจิตปัญญาเป็นการมองถึงคุณูปการของผู้บริโภคข่าวสารว่าเป็นผู้มีคุณชีวิตเราอยู่ได้เพราะคนเหล่านี้ถ้าไม่มีคนเหล่านี้บริโภคข่าวสารของเราเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้ข้าวทุกคำเสื้อผ้าทุกอย่างในตัวเราเนี่ยมันมาจากคุณูปการเราสังคม คือต้องสมนึกคุณนะฮะของสมนึกคุณคล้ายๆกับพระสมนึกคุณของญาติโยบเนี่ยควาสสานึกคุณว่าพระเราเนี่ยถ้าโยมไม่เลี้ยงดูแล้วก็ตายฮนะอยู่ไม่ได้ผู้เจ้าก็ให้ถนัดชีวิตของเราเนื่องโดยคนอื่นเราควรทำตัวคนเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ทำงานให้มากเพราะเราเห็นว่าการโสเสียดเนี่ยมันจึงเจตนาเลวร้าย ท่นก็สอนให้พูดในแนวที่เรียกว่าส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีเพราะลักษณะสังคมเนี่ยมันมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มคนที่เขาสามัคคีกันอยู่แล้วเราก็สนับสนุนคือกระชับให้สามัคคีมากยิ่งขึ้นคนที่เคยสามัคคีกันมีข้าวแต่แยกแตกแกกันเราก็ประสานแล้วคนที่ยังไม่สามัคคีกันเราส่งเสริมเราจะเห็นว่ามันเกิดจากไม่ตากลุณาแต่นั้นแหละ มันอยู่ในกลุ่มอารมากแต่โซเซียดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของสมุไทยคือมันเป็นภาพลักษณ์ของการเป็นการสะท้อนขึ้นมาจากกิเลสอะไรก็ไม่รู้ว่ากันเป็นกรณีกันนี้ไปแต่พอเยอะมากนะคือโซเซียดนี่ทุกตัวเหตุเกิดมันจะเยอะมากเลยํำหยาบต้งใช้คำว่า เธอทั้งหลายพึงทำความกัดเกลา ว, ว่าชนเราอื่นจะกล่าวคำหยาบในข้อนี้เราทั้งหลายจะงดเว้นจากพรุศวะพรุศวะคือคำหยาบคำหยาบคือคำดา่าผู้ฟังฟังแล้วเจ็บใจเสียใจน้อยใจเป็นทุกข์ไม่สบายแต่ว่าคำเนี่ยมันพูดยากปณัฏก็บอกว่าภาษาปากหรือภาษาใจเนี่ยพูดด้วยปากหรือพูดด้วยใจ แม้คบางคำมันก็หยาบแต่ว่าบรนพูดด้วยปากเฉยๆไม่ได้พูดใยใจใจต้องเจตนาให้ประจานเจตนาจะด่าเขาเจตนาเขาจะให้เขาเสื่อมเสียเจตนาจะทำลายล้างพาะะนันเกณนเป็นคำหยาบคือจะเป็นพระฤาษีคารวะเนี่ยกรรมเนี่ยเขาไม่หลีกเว้นให้อะกรรมคือกรรมเลย คุณไม่ใช่คุณอย่าไปคิดว่าถ้าคุณเป็นพระแล้วก็มีศิทดาคนได้มันไม่มีะไม่มีใครมีสิทธิ์เลยก็มีสิทธิ์ตกนรกได้หมายความถ้าด่าได้ก็ตกนรกได้เพราะว่าพอถึงกรรมแล้วมันไม่ได้อยู่ที่คุณเป็นใครอ่ะมันอยู่ที่คุณทำยังไงคุณพูดยังไงคุณทำยังไงคุณคิดยังไงนั่นคือประเด็นของของธรรมะาต้องจับให้ได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวคุณเป็นใคร คุณเป็นพระคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะด่าใครสมองหมาปัญญาควายเป็นคำหยาบแน่นอนเป็นคำด่าเป็นการกดคนอื่นลงไปไม่ใช่บอกอาตมาเป็นพระมามีสิทธิ์ด่าไม่มีฮะอาตมาเป็นพระอาตมาก็มีสิทธิ์ดลนรกเพราะว่าโลกเนี่ยมันเป็นกรรมวาวะชความเป็นอะไรของมนุษย์ทุกอย่างมันมาจากกรรมของมนุษย์เอง เรามาสู่โลกนี้ด้วยกรรมก็เราอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมขอเราจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเราเพรา ะ, ะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องขัดเราและพูดกรคำไงพูดคําที่ไปเระอ่อนหวานฟังแล้วสบายหูสบายใจของผู้ฟังแต่อย่าลืมนะว่าบางทีนี่อาจจะดา่าแต่ว่าเป็นกุศลและเจตนามันจําเป็นต้องขัดเราอะเหมือนกับอะไรช่างถากถากไม้ช่างเหล็กตีเหล็ก ช่างปั้นพาชนะดินก็ตีดินแรงทั้งนั้นนะแต่ว่าเพื่อสร้างสารรค์พัฒนาช่างเฟอร์นิเจอช่างอะไรแต่ไร่เราจะเห็นว่ามันก็เริ่มที่หยาบแต่ว่าเป้าประสงค์เนี่ยมันเพื่อเสริมคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นพัฒลาการเหล่านี้พระเจ้าเองเนี่ยก็รับสั่งนิกันเหตุนิกันกาหาหังวักขาปกะปักขาวกขามิปักกันเหตุปักกะปักกะหารหังปักขาวักขามิ เราจักกระนาบแล้วกระนาบอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ใครไม่มีสาระก็ออกไปมุขเจ้าก็ดุนะฮะแต่ว่าดุด้วยปากคือให้เขารู้อันนี้คือดุพระไทยไม่ได้ดุพระไทยกรุณาแต่ภาษานี่หยาบได้ในกรณีที่จำเป็นคนนี้จำเป็นต้องผ่าตัดอ่ะคนนี้จำเป็นต้องถาก หมายเนี่ยจําเป็นต้องถากถ้าไม่ถากมันก็ราคาไม่เกิดถากก็ถากข้อต่อไปก็คื อ, คอเรียกสัมผับปลาปะต้องฟังสังเกตฮนะพระเจ้ารับสั่งว่าเธอทั้งหลายพึงทําความกัดกล้าวว่าส่นเราอื่นจะกล่าวคําเพือเจอ้าในข้อนี้เราทั้งหลายจะงดเว้นจากสัมผับปลาปะไม่มีคำว่าวาจานะ พารุษะว่าจาปิสุณะว่าจามุสาวาทะจะใช้คำา น, นนั้นเลยแต่ตรงนี้ไม่ใช้คำ cher, เพอเจอเหลวไหลไราสาระโบราณท่านเรียกว่าสาราคเพอเจอเพื่อเห็นว่ามันมันไม่มีสาระอะไรเลยแสดงอะไรแสดงว่าจิตใจเนี่ย ไม่มีหลักมีกฎมีเกณฑ์ะไรคือบางทีนี่คือสังคมเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความสับสนในความเป็นสังคมโดยไม่้นึกว่าไอเนี่ยจะเอาจากไหนไอเนี่จะเอาจากไหนนี่จะเอาจากไหนแม้แต่พระบางทีเนี่ยเวลาสัมภาษณ์ข่าวอะไ ร, ต, ะรต่างๆสัมภาษณ์องค์เนี่ยเป็นผู้อนุสาสสังคมแผ่นดินเลย ทำไมต้องรู้ทุกอย่างอ่ะพระองค์เดียวแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องสังคมเป็นยางไั้นนะ่ยลักใครชอบใครก็ไปเลยแล้วก็ไม่มีเหตุผลในความรักเนี่ยไม่มีเหตุผลความนับถือบางเรื่องเนี่ยไม่มีเหตุผลเพราะอย่าลืมวากิเลสประเภทเนี่ยมันกิเลสประเภทที่เรียกว่าฉันทาคติคือลำเอียงโอกาสที่เอียงเนี่ยได้ง่ายมากถ้าเราเริ่มที่รักแล้วเนี่ย โอกาสจะเอียงจะง่ายแี่สำหรับเพยเจเนี่ยคือแสดงว่าตัวเองเป็นคนไร้สาระมันพูดสาระไม่เป็นจะประเด็นของสาระไม่เป็นแล้วก็ไม่มีการสอบทานเทียบเคียงย่างที่เคยพูดให้ควงมนี้ว่าในกรณีที่ไปคัดค้านบริษัทหนึ่งที่ก็จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เ ต, เตือนพระไปหลายครั้งแล้วระวังอาบัติประราชิกนะเสี่ยงมากๆเลย เพราะเป็นการผลานสิทธิผลประโยชน์ที่เขาจะพึงได้พึงถึงในวิณีะวัตถุในพระนนวินัยบิดกเนี่ยท่านพูดถึงพระเอ็นเขาดักมีเครื่องมือดักสัตว์อย่างหนึ่งฮะใสหรือลอบอะไรเนี่ยนะเอแล้วพระไปยกออกยังไม่ได้ติดปลาหรอกแต่ไปยกออกท่านปลาประบาดเนะี่ย ถือเป็นข้อโมโอย่างนึง่คือเป็นเรื่องของเขาอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราไปไปตีงูเพื่อช่วยเขียดในกรณีนเนี้ยเราถือว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของมันเขียดมันก็ล่าเพื่อมาเยอะงูมันก็ล่าเขียดต่อแล้วงูเองก็ถูกล่าต่อสัตว์โลกมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพระธรรมมข้อหนึ่งเนี่ยเราก็าไปอยู่ที่ที่อุเบกขา แทนที่จะไปเทียกรุณาอย่างนี้เขาไม่เรียกกาลูนานะเขาเรียกเบียดเบียนเพราะอัน น, นี้ก็คือคือว่าจีทุจริตแต่ทำยังไงพูดให้มันมีสาระประโยชน์คําถามสุดท้ายที่ต้องตอบไปได้ว่าผู้ฟังได้รับประโยชน์อะไรถ้าไม่รับประโยชน์จะพูดปากเราในเราไม่พูดก็ได้อย่างที่ท่านอดีตนาะยกผลเอก ชาติชายที่ท่านพูดคมนะฮะท่านบอกว่าก่อนจะพูดเนี่ยเราเป็นนายของคําพูดแต่เมื่อพูดไปแล้วเนี่ยคําพูดเป็นนายเราท่านจะได้มาจากไหนก็ไม่รู้ใจถือว่าคมมากก็ยังยังรู้สึกว่าก็ขวังท่านบุญนี้พูดไปเยอะนะแต่ว่าประโยคนี้ถือว่าคมที่สุดข้อต่อไปเราจะเห็นว่าก็คือปโนสุจริตก็คือกุศลกำหนดสิบอย่างที่บอกเนี่ยคือกุศลกำหนดสิบ แต่ทำไมเอามาเน้นย้ำเพราะนี้คือมนุษยธรรมนี่คือธรรมที่ทำคนให้เป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยท่านมองที่ตัวโมโหสุดจริตเนี่ยมองที่คุณภาพจิตจิตที่มีปัญญามีเมตตามีกรุณามันแปลว่าสัตว์โลกที่มีใจสูงคือยกระดับจิตขึ้นเหนือ อารมณ์ที่จะฆ่าจะลักจะในที่นี้คือเสพมตธนธรรมเลยแต่ะว่าในในกุศลกบุตรสิบเนี่ยตามปกติแล้วจะเป็นกามีแต่ว่าในบางกณีเนี่ยทรงใช้อภัรรมเลย แ, ลแสดงว่าตรงนี้คือแสดงแกภิกษุอย่าลืมว่ารับสั่งกับพระจุนทะพระจุนท่าท่านเป็นพระอระหรันต์เพราะก็ทรงแสดงสีลข้อที่สามก็เป็นอภัมไปเลย แทนที่จะเป็นกามเ ม, มิสชาจารย์เพรา ะ, ะนั้นก็ต้องดูว่ารับสั่งใครเข้าต่อไปก็คือรับสั่งว่าเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมักเพ่งเล่งพันทะของผู้อื่น ในข้อนี้เธอทั้งหลายจักไม่เพ่งเพ่งเลงพันธะของผู้อื่นคือวัตถุสิ่งของนะฮะทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตามรถราเสือผ้าอาภรณ์แหวนเพชรอะไ ร, ะไรต่าง ๆ, ท, งๆทั้งหมดอะสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทตาหูจมกูกกลิ้นกายหรือบางครั้งเนี่ยมันเป็นความจำคือสัญญาในอดีตแล้วก็เหนียวนึกตึกนึ ก, นกด้วยความเพ่งเลงโลภอยากได้ในสิ่งนั้น ให้เราสังเกตว่าสิ่งที่เราอยากได้บางทีเป็นเรื่องอดีตบางทีเป็นเรื่องอนาคตนะฮะบางทีเป็นเรื่องปัจจุบันแล้วก็บางทีเนี่ยเราสัมผัสในขณะนั้นบางทีไม่ห่ะเป็นเหี้ยวนึกเครียปรุงคิดคิดปรุงเอาแล้วก็เพ่งนึ่งลบจากได้ใจมันก็ขุนนะใจมันขุนใจมันก็สายใจอย่างเงี้ยเหมือนกา คนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นเนี่ยต้องตามชดใช้ตลอดเพราะในความอยากที่บันเกิดขึ้นเนี่ยมันสนตะภายเราเลยอันนี้อันนี้อร่อยนะอันนี้น่าโดนนะอันนี้น่าไปนะอันนี้น่าเที่ยวนะอันนี้น่ากินนะคือบางทีเนี่ยตอนที่เงินเขาอะไรล่ะก่อนที่จะเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่นะฮะกำลังมีข้าวของเศรษฐกิจฟองสบู่นี่คนมีเงินเยอะตอนนั้น ตอนสมัยรัฐบาลชาติชายนะคือหลังจากรัฐบาลเปรมเนี่ยเงินมันจะบูมมากเลยที่สร้างห อ, อกไปชุมเศรษฐกิจอ ะ, ะอะไรต่างๆเนี่ยคืงเงินมันเยอะอคนจะซื้ออะไรเนี่ยนะการมองวิธีสื้อก็สงสารามาเคยไปวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมันรู้จนเราไม่กล้าพักเลยก็จัดได้ที่อย่างดีเราเข้าอยู่หูเหมือนก็วังเลย เลยก็ไปนั่งอยู่นอยก็ลาเ็าบอกว่าอยากจะไปพักพักที่วัดอื่นแล้วก็จนเดียนนี้ยังไม่เคยไปอีกเลยเนะ่เพราะมันหรูเกินไปเรารู้สึกว่าเราก็เป็นเป็นพระท่านนั้นเองอยู่หรูขนาดนั้นก็ไม่ไหวก็สยองนั่นคือการเพ่งเล็งโลภอยากได้จนตอบสนองแล้วก็วุ่นแต่ตอนนี้ไม่ได้หมายถึงตอบสนองนะฮะ ก็ตอบสนองเป็นอธินาธานเป็นกา ร, รมเมิจาจารย์ไปเอาเฉพาะความคิดจิตมันคุนจิตมันมเศร้าหมองแล้วข้อต่อไปก็คือจนเราอื่นจักมีจิตพยาบาทเราทั้งหลายจักไม่มีจิตพยาบาทพยาบาทก็คือการเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งมันเกิดขึ้นที่จิตตัวเองนะฮะ แต่ว่าไปโยนความเลวร้ายให้แก่คนอื่นแล้วความพยาบาทก็ดีความโลภ ก, ก็ดีให้ลรงสังเกตว่าพฤติการคือตัดสินเลยเราลองสังเกตข่าวก็ได้นะข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเธอมีหน้าที่รายงานข่าวแต่เธอเป็นสารน ะ, ะเธอตัดสินเลยแล้วก็หยียบกระถือไปเลยโอ้มันเป็นอภิสิทธิ์ชนไม่ใช่เล่นนะฮะพวกนี้ย ตัดสินไปเลยเคยๆบางทีเนี่ยนักวิชาการที่เขาบอกว่าดัง เ, เราอ่านแล้วเราสลดโอ้โหคนนี้มันเก่งเกินคนไปนะคุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินหรอกไม่มีสิทธิ์ไปชี้ผิดชี้ถูกแต่ว่าเอาเทียบเคียงกับธรรมะนี่ได้ตัวเนี้ยธรรมะว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่เราว่าอย่างนี้คือธรรมะเขาว่าอย่างงี้นั่นเป็นมาตรวัด ถูกผิดไม่รู้เอาไปคิดเรเองประเด็นความอาฆาตพยาบาทเราจะเห็นว่ า, เ, าเราไปคล้ายๆกับแต่งตั้งเขาอ่ะคนนี้เคยทำอันตรายต่อเราคนนี้เคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้เคยเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราเขาทำดีก็โกรธนะทำดีก็พยาบาทคำชั่วก็พยาบาทแต่บางทีในเราคิดเราเอง คล้ายๆกับคนจอนจักคนหนึ่งแกเที่ยวกลางคืนดึกๆืนนะฮะคงยาแล้วก็นอนโดยไม่ได้ล้างเท้านอนคลุมโปงอยู่ริมสาลาข้างทางธนาตาบินจิกาเศรษฐีเดินผ่านไปกับคนชายก็บอกอันนี้เฉลอยจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนแกนอนตื่นแล้วนะฮะแต่แกไม่อยากลุกธ น, นาตบินจิกะเศรษฐีคล้อยหลังนี่แกเปิด พาคลุมกันดูจําได้แค้นมากว่าเที่ยวว่าแกนอนกลางคือเนี่ยทั้งๆที่แกนอนเที่ยวกลคือจริงไงนะแต่ไม่ต้องการให้คนรู้แค่แค่เนี่ยพวกเสพยาเสพติดพวกไอ้อะอะไรทั้งหลายเนี้ยเขาไม่อยากให้ใครรู้อะาคาดไปยาบาทจ น, จนตัดเท้าโคของทธนาทิบินิกาเศรษฐีสลายตัวมีการเผานาด้วยนะเผานาของทธนาทิบินิกาเศรษฐีจนถึงกับเผาประคันตะกุฎี ที่อนาตะวินทักสติสร้างถวายพระพุทธเจ้าเห็น ไ, ไหมพยาบาทแล้วไม่มีเรื่องเลยไม่มีเรื่องในพวงในการพยาบาทเพราะงี้พูกนี้จิตมันจะเป็นแผลพวกพยาบาทเยมันก็จิตเป็นแผลหรือเหมือนกับคนค น, นป่วยอ่ะเหมือนประสบทุกขเวทนาด้วยตัวเองแล้วก็เดือดร้อนด้วยตัวเองปรุงปรุงปรุงคิดคิดปรุงแต่สินใจผิดเสร็จเลย บังทีแต่สินแต่สินลุงหน้าตอนนี้ตอนนี้ต่อไปเนี่ยคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนเนี้ยอาจจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มตัสัต ส, สู้เราเพราะเลยค่าปิดปากเลยที่เราค่าตตดตอนนะฮะไม่มีเรื่องหมายหรอกค่าตตดตอนนะมันก็พูดกันเองก็ตั้งกันเองค่าแต่ตอนก็ค่ากันมาตลอดนะ่ะ ประวัติศาสตร์ไปดูตรงไหนก็ได้เราเข้าใจสาระธรรมันหรือเปล่าแล้วขั้นต่อไปก็กําลังคิดนะฮะคิดเอาเองว่าคนนี้กําลังทําอันตรายแต่เราคนนี้ทำมากําลังทําอันตรายสั ต, ยติพี่น้องของเราคนนี้กําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กื่งกูลโดยสัตว์เราเห็นไหมเอาตัวเองเป็นศูนย์เป็นผู้ประเด็ดการทางความคิดเธอทําอะไรไม่รู้อะถ้าฉันไม่ชอบก็คือผิด เห็นว่าเขาทำประโยชน์เกื้อกูลตกคนที่ตัวเองไม่ชอบก็ไม่ชอบเขาด้วยมันเป็นมันเป็นอาการทางจิตเขาเรียกว่าความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความโกรธตัวเนี้ยความโกรธเกิดจากความโกรธแล้วความโกรธเกิดจากความรักอสมมุติว่าคนเนี้ยเขาคนที่เราที่เราไม่ชอบเขาเนี่ยเพราะเห็นว่าทำประโยชน์แก่ศัตรู ศัตรูเราแต่ถ้าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเนี่ยเราชอบเขานะเราชอบเขาเป็นความรักที่เกิดจากความโกรธพราะที่จริงนะธรรมะเนี่ยมันมันเป็นตำนาอ่านมนุษย์นะเวลาวิเคราะห์สถานการณ์อะไรไม่ต้องไปดูนะดูที่จิตะดูที่ธรรมะ เราจะเห็นทรรมะคล้ยๆปัญหาทั้งปูงในโลกเนี่ยถ้ามองในมิติของาศาสนาล้วนเกิดมาจากกิเลสมีวิชาเป็นรากงาวทั้งหมดทุกปัญหาสารพัดที่เกิดที่ไหนก็ได้ใหญ่โตขนาดไหนก็ได้สาวไปดูถ้าเจอกิเลสเท้งนั้นเลยเพราะนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องขัดเกลาเพราะเครื่องมือในการขัดกเกลาก็ส่งสแสดงมาโดยดำํดำดับถ้าฟังเท่าไหร่ เสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุนีขอความเจริญง้อ ง, งามไพยบูรในธรรมจงมีแต่ท่านสาธารชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเธอ